ขอให้มีเงินเต็มเมื่อกลับมาทรุงนี้รวยให้เงินให้ทองเทมาทั้งปีอยู่แบบสบายสริม ไ, ไม่ต้องกลุ้มใจขอให้ทุกคนกินดีอยู่ดี กันใหมเวลาวันนี้ยังมีทำาไมดียังไม่สายขอให้มีความสุขไม่ว่าทำอะไรยงแค่เวามีความจริงจังและจริงใจวันนี้ทำให้ดีวันพรุ่งนี้สบาย ชีวิตจะไม่มีคาว่าจนคิดอะไรหวังอะไรก็คอยทุกๆคนสมดังใจแล้วเรามาแล้วาววไปอะไรที่ไม่คอยดีว่ากันไหมเวลาวันนี้ยังมีทำให้ดียังไม่สายคอยมีความสุขไม่ว่าทำอะไรเพียงแค่เรามีความจริง และจริงใจวันนี้ทำให้ดีวันพรุ่งนี้สบายมันต้องไปได้สวยเท่าเรา สบามันต้องไปได้สวยท้าเรามันตั ab, ้งใจเดี ab, ๋ยวก็เรวยกันใหญ่ลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาาลาลางาลาลาลาลาลาาาล ที Beast ่ทำให้ฉันหว่นไหวกฟ